รษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสัรวรสมเด็จพระสังฆ ร, ราชสกวลมหาสังฆปริณายุกนรกใหญ่ตามกติความคิดของอินเดียเก่าแก่ที่ติดมากล่าวว่า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 คำว่านิระยะหรือนรกใช่หมายถึงสถานที่ที่ทรามานสัตว์ทําบาดดังกล่าวเช่นเดียวกันนรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่าวไว้นในสังกิจจาชาดกเป็นต้นว่ามีแปดคือหนึ่งสังชีวะแปลว่าคืนชีวิตขึ้นเองคือสัตว์นรกในขนุมนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีก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 ซึ่งพวกตนไม่ได้ประกอบการงานและแสดงการทรมานอีกอย่างหนึ่งคือบทตําในโครกเหล็กตีบนแท่งเหล็กสําหรับทรมานผู้ทําจรกรรมผู้ที่มีสัมดานร้ายกาดด้วยความโกรธนิสยาโลคอยากได้ผู้ที่ใช้เครื่องช่างตวงวัดโกงและผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสัตว์ตายลงในถนนหงทางสาธารณะสโ่รรุกแปลว่า ร้องครวนครางคือมีเปลวไฟเข้าไปทางถวาวรทั้งเก้าเผาไหม้ในศรีละจึงร้องครวญครางเพราะเปลวไฟหรือชะละโรรุวบางพวกถูกหมอกวันดางหรือกรดเข้าไปละลายสรีละจนละเอียดเหมือนแป้งจึงร้องครวนครางเพราะหมอกวันหรือทุมะโรรุะในคัมภีร์ที่เบิดกล่าวว่ากรอบน้ําเหล็กแดงอันร้อนแรงทางปาก ผ่านลำคอลงไปสำหรับบาป ท, ที่กั้นปิดทางน้ำเพื่อประโยชน์ของตนแช่งด่าดินฟ้าอากาศทำลายพืชพันธุ์ทันยารให้เสียหายหามหาโรรวะแปลว่าร้องครวนคลางมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อสี่ในคำพีที่เบล่าวว่าสำหรับพัยรชนคนบาปหนา 6. ปตาปณะนะแปลว่าร้อน ได้แก่ถูกให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยวเหล้าเหล็กบนแผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรงบางก็ถูกต้อนขึ้นไปบนพวกเขาเหล็กแดงเป็นไฟลุกโพรง่งถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยวเหล้าเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินเหล็กแดงในคมพิที่เด็กกล่าวว่าถูกขังอยู่ในห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาป ท, ที่ปิ้งทอดหรือเสียบสับปิ้งเป็นอาหาร ปตาปะนะแปลว่าร้อนสูงมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อ6ในคำพีที่เบรกล่าวว่าถูกทิ้นแทงด้วยหอกสามง่ามล้มคลิ้งลงไปบนพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงสำหรับบาป ท, ที่ละทิ้งพระศาสนาหรือเลิกนับถือหรือปฏิเสธความจริงแอวิจิแปลว่าไม่มีระหว่างคือไม่เว้นว่าง บางทีเรียกมหา อ, าววาอาเวจิแปลว่าอเวจีใหญ่ภาษาไทยนักเรียกว่าอาเวจีเปลวไฟนรกในนรกขุมนี้ลุกโพรงเต็มทั่วไปหมดไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างสัตว์นรกในขุมนี้ก็นั่นขนาดเหมือนยักษ์ธนานไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุต่างถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพาะตนเฉพาะตน และความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้ก็บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างฉะนั้นจึงเรียกว่าอวีจิหรืออเวจีซึ่งมีคำแปลดังกล่าวในคำพีธันทิเบิก่าวว่าสำหรับบาป ท, ที่ถือว่าเป็นอุกฤิฎโทษตามลัทธิลามะแต่ฝ่ายเทรวาแสดงว่าสำหรับบาป ท, ที่เป็นอนันตริยกรรมนรกใหญ่ทั้งแขุมนี้ ในสังกิตจะชาดกเป็นต้นเรียงอวีจิไว้หน้าตาปะัะแต่ในที่อื่นเช่นในไตรภูมิพระร่วงสแสดงอวีจิไว้เป็นที่สุดและกล่าวว่าอยู่ซ้อนไปตามลำดับสันฉีวะอยู่เมื้องบนที่สุดและอยู่ใต้กันลงไปจนถึงอเวจีอยู่ใต้ที่สุดเครื่องทรมานในรรกใหญ่ทั้งแปดขุมดังกล่าวมีเหล็กเช่นพื้นทนินเหล็กและ เครื่องอาวุธเหล็กต่างๆมีไฟคือเหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟร้อนแรงมีพูเขาเหล็กที่กลิ้งมาบดและมีหมอกกวันชนิดเป็นกรดหรือดา่างในนรกขุมที่หนึ่งและที่สองมีนายนิรยาบาลแปลว่าผู้รักษานารกไทยเราเรียกว่าย ม, มาบาลเป็นผู้ทำการทรมารนสัตว์นรกแต่นรกขุมที่ลึกลงไป ก, กว่านั้นในอัจฉริยสังกิตจัชชาดกไม่ได้กล่าวถึงนายนิรยาบาล กล่าวถึงไฟเหล็กเช่นเครื่องอาวุธต่างๆเป็นต้นบังเกิดขึ้นทรมานสัตว์นรกเองนรกน้อยอันหนึ่งมีแสดงไว้ว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมมีนรกเล็กเป็นบริวารในสีด้านด้าละสี่ขุมรวมสิหกขุมรวมนรกบริวารของนรกใหญ่ทั้งแปดขุมได้หนึ่งยิบดขุมรวมนรกใหญ่อีกแปดขุม เป็นหนึ่งอสามกขุมนรกบริวารในไตรภูมิพระร่วงเรียกว่าฝูงนรกบ่าวในในมิรจชชาโดกกล่าวว่าพระมาตรีเทพสารถีนำพระเจ้าในมิราชพระราชากรองนครมิถิลาในแควนวิเทหรัตไปเที่ยวดูนรกบริวารส6บหกขุมซึ่งอยู่ล้อมรอบสันชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้หนึ่ง เวตานีนรกแปลว่านรกแม่น้ําเวตรลนีแปลว่าข้ามยากคือเป็นแม่น้ําด่านที่ร้อนเดือดพร่าเรียกว่าเวตรลนีบัวและสิ่งต่างๆในแม่น้ํานั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้นนายนิรยาบาลตกเบ็ดสันนรกอีกด้วยสําหรับบาป ท, ที่ประกอบคำหยากช้าเบ็ดเบียนผู้ที่อ่อนกําลังกว่า 2. ส, สุนัขขานรกแปลว่านรกสุนัข คือมีฝูงสุนัขขาวแดงดำเหลืองและฝูงแรงกากร่มรุมกัดตีติ ด, ดทรมานสาหรับบาป ท, ที่กล่าวคำร้ายด่าว่าสมณภพรามณ์และท่านผู้มีคุณสสัญโชตินรกแปลว่านรกไฟโพรงคือสัตว์นรกในขุมนี้มีสรีระลุกเป็นไฟโพรงแผดเผาทั้งถูกทรมานต่างๆสำหรับบาป ท, ที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบนมรุสตรี ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีความผิด 4. อังคารกาสุนรกแปลว่านรกกลุมถ่านเพลิงคือตกลงไปไม้ทรมารในหลุมถานเพลิงสำหรับบาป ท, ที่ชอบโกงเบียดเบียนถือเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคเพื่อการกุศลหรือชักชวนให้เข้าบริจาคอ้างว่าเพื่อการกุศลได้ทรัพย์มาแล้วถือเอาเสียเองและสำหรับบาป ท, ที่เป็นหนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น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 สำหรับบาปที่เอาข้าวรีบแปร์หรือฟางปนข้าวเปลือกลวงขายว่าข้าวดีหรือเอาข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดีก็น่าจะอยู่ในนรกขุมนี้ 8. สัสติหัตตสยานรกแปลว่านรกที่แทนด้วยหอกจนล้มลงคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกแทนด้วยอาวุธต่างๆจนตัวพรุนอย่างใบไม้เก่าสำหรับบาปที่ประกอบกรรมมิชอบเลี้ยงชีวิตด้วยอัติาทานต่างๆ มีพ้นสดมขโมยชออ่อโกงทุจริตเบียดบังเป็นต้นเก้าวิการกะตานรกแปลว่านรกแกล้เนื้อคือแลเนื้อสัตว์นรกออกเป็นชิ้นๆสำหรับบาป ท, ที่ประกอบกรรมหยาบช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิบปุราณะมิระหันนรกแปลว่านร ก, รนรกมูดคูดหรือนรกอาจมเก่า คือสัตว์นรกในขุมนี้กินอาจมเก่าที่เหม็นนักหนาและลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาป ท, ที่ปทุสร้ายเบียดเบียนมิสหายหรืออาศัยกินข้าวเขาแล้วยังขู่เอาทรัพย์ของเขาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ขูดรีกสิบเอโลหิตปุพนรกแปลว่านรกน้ำเลือดน้ำหนองคือสัตว์นรกในขุมนี้อยู่ในแม่น้ำแห่งเลือดและหนองหิวกระหาย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 14. อวังเสียระนรกแปลว่านรกที่จัดจิตสะห้ยลงเบื้องต่ำทิ้งลงไปให้ไม้ทรมานเช่นเดียวกันเป็นนรกสำหรับบุรุษที่เป็นชู ด, ด้วยพัญญาของคนอื่นหรือนรกแยกเพศเฉพาะผู้ชาย15หาโลหสีมะพรีนรกแปลว่านรกต้นนิ้วเหล็กคือสัตว์นรกในขนุมนี้ต้องปีนต้นนิ้วเหล็กมีนามเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรง สำหรับบาปปิดศีลข้อที่สามทั้งชายและหญิงหรือนรกสหเพศหรือสหานารก 16. ปัจจนานารกแปลว่านารกหมกไหม้หรือเรียกว่ามิจฉาทิฐินรกคือสัตว์นรกในขุมนี้ต้องถูกหมกไหม้และถูกทิ่มแทงทรมานสำหรับบาปที่เป็นมิจฉาทิฐิคือเห็นผิดว่าผลทานผลศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มี คุณมานาบิดาไม่มีคุณสมณรภามไม่มีเป็นต้นนรกสิบหกขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วงส่วนในเนมิราชชาดกมีเพียงสิบห้าขุมเว้นนรกสหเพศขุมที่สิบห้าขาดไปก็ดูไม่เป็นไรเพราะมีนรกแยกเพศอยู่แล้วจิงยังมีที่สำหรับผู้ที่ผิดศีลข้อสามไปได้อยู่เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนรกทั้งสิบหกขุมนี้ท่านว่ายัดเยียดเบียดเสียดเต็นไปด้วยสัตว์นรก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 ได้มีแสดงถึงวิธีนำตัวคนบาปไปสู่การพิจารณาของยมราชหรือพยายมแล้วถูกนำตัวไปสู่นรกพันานานรกเพียงกันไปเช่นในเทวทูตสูตรเล่าไว้โดยความว่าสักหรือคนผู้ประกอบด้วยทุตริตทางกายวาจาและใจติเตียนดาว่าคนดีประเสริฐเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือกรรมของคนมิจฉาทิฏฐิ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 บาปกรรมนั้นมารดาบิดาเป็นต้นไม่ได้ทําให้เจ้าเจ้าทําเองก็จัดสวยวิบาาของกรรมนั่นเองเมื่อยมาราชว่าดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่นายนิริยาบาลทั้งหลายทํากรรมกรมีพันธะหรือการผูกตรึงหรือจองจำห้าอย่างได้แก่ตรึงดลวดเหล็กอันร้อนที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาสวยเวทนาเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ทำการกิริยาจนกว่าบาปกรรมนั้นจะสิ้นไปต่อจากนี้สแสดงวิธีทรมานที่ยิ่งขึ้นไปคือ 1. นนายนนรยาบาลถาดด้วยพึ่ง 2. จับตัวให้หัวห้อยเท้าชีฟ้าถาดด้วยพระา 3. เอาตัวเทียมรถให้วิ่งไปวิ่งมาบนพื้นอันร้อนชน 4. ให้ขึ้นภูเขาฐานเพลิงอันร้อนชน 5. จับตัวเอาหัวห้อยเท้าชีฟ้า ทิงลงในโลหะกุมภีหรือหม้อเหล็กอันร้อนโชนถูกเขี้ยวอยู่ในนั้นผุดเป็นฟองผุดขึ้นข้างบนบ้านจมลงข้างล่างบ้านรีลีของขวางบ้านแต่ก็ไม่ตายต่อจากนี้แสดงถึงมหานิรยะว่านายในรยาบาลใส่ลงไปในมหานิรยะหรือนรกใหญ่พระอาจารย์อธิบายว่าได้แก่เอเวจีนรกซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่แปดที่กล่าวมาแล้วนรกใหญ่นั้น